หลวงพ่อนว่าวันนิยมจะน้อยก็ อ, อนุโมทนานะวันสิ้นปีอุตส า, ามาวัดสมัยหลวงพ่ อ, อยังทำงานอยู่สามสิบันวานะเป็นวันเขาไม่ทำงานหรอกแต่เขาไปที่ทำงานเรารู้สึกชีวิตไร้สาระทั้งวันเลยพวกเราอุตสาห์หนีเรื่องไร้สาระมา มาฟังธรรมะของมีสาระเวลาชีวิตผ่านไป น, น, นานๆนะจะรู้สึกเลยในโลกมันหลอกๆ ก, กันนะชีวิตทางโลกเหมือนเหมือนฝันๆเหมือนหลอกๆไม่มีของจริงก็มาหัดภาวนานะรู้สึกของดีของวิเศษมันมีอยู่สาระแก่นสารในชีวิตจริงๆมีอยู่ ยิ่งภาวนาไปนานๆนานยิย่งรู้สึกยังหนุ่มยังสาวอยู่อยู่กัโลกอาจจะยังไม่รู้สึกนะพะออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้เลยชีวิตในโลกเหมือนฝันฝันเท่านั้นเองเรานึกว่าจริงจังคนโง่โรู้สึกว่าจริงจังพอสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นรู้สึกเหมือนฝันฝันหลอกหลอกกันทั้งโลกหลอกตัวเองก่อนหลอกคนอื่นทีหลัง มาภาวนาเห็นของจริงของแท้ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขอันนี้หมายถึงเราต้องพัฒนาได้นะถ้าเราภาวนาไม่เป็นยิ่งแก่ยิ่งลำบากคือเห็นครูบาอาจารย์ท่านแก่เท่าท่านมีความสุขหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ช่วงที่ตระเวนมากๆกเลยอายุ29ก่อนหน้านั้นทาใจสมถะ ตั้งแต่ปี25เนี่ยออกไปหาครูบาอาจารย์ตนะั้งแต่ต้นปีแนละ้วตะเวนไปหาครูบาอาจารย์เรนะื่อยเลพบว่าท่านแก่ๆนะแต่ท่านมีความสุขอย่างเลยหลวงปู่ดูลนก็มีความสุขมากวันๆไม่ค่อยมีอะไรฉันเท่าไหร่ซื้ออะไรไปถวายแล้วบางทีท่านก็รับไว้แล้วก็ท่านส่งคืนมาเอาไปเรามีละเราพอละดูท่านไม่่อมีอะไรฉันเท่าไร อยู่กับท่านจนๆท่านมีความสุขมากเข้าไปกราบไปศึกษาธรรมะนะโอ้ยท่านร่าเริงเบิกปานเทศหอบแล้วหอบอีกก็ยังมีความสุขธาตุขันนเหนื่อยอยู่ตั้ง9 6้าสิบหเก้าสิบห้าเทศแล้วหอบหอบหอบนะแต่สดชื่นมีความสุขแล้วเทศหมดเรื่องที่จะสอนเราเราลงกราบ เงยหน้าขึ้นมานะเหมือนไม่รู้จักกันแล้วจากครูบาอาจารย์นะที่เมตตาสูงประครบประงมอย่างที่สุดเลยเพื่อจะให้เราเข้าใจพอเราเข้าใจนะการาบลงเงยหน้าขึ้นมาเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งท่านก็อยู่อย่างของท่านแนละ้วท่านไม่มาผูกพันอยู่อะไรกับโลกอีกต่อไปเนี่ยหลวงปู่ดูลไม่มีนะสิทเอกสิทธิโทไม่มียนหะลวงปู่ไม่เคยผูกพันอะไรกับใครท่านสอนให้เรา ออกจากโลกออกจากความผูกพันท่านก็ไม่ไปผูกพันกับใครให้ดูมีแม่ชีอยู่คนชื่อคุณยายยศคุณยายยศก็คอยดูแลท่านเอาอาหารให้ท่านบ้างอะไรบ้างคุณยายยศนี่อยู่กับหลวงปู่มานานนั้นมีโยมอยามาหาหลวงปู่ไปเจอคุณยายยศก่อนถามหลวงปู่อยู่ไหนอยู่ในกุฏิแหละ เข้าไปที่กุฏิก็ไม่เจอเที่ยวไปหาตัววัดก็ไม่เจอก็ไปถามคุณยายอยู่ที่ไหนอยู่ในกุฏิเลยกุฏิท่านก็เล็กนิดเดียวคุณยายก็พาโยมไปที่กุฏิหลวงปู่ก็เจอหลวงปู่นะพอโยมไปแล้วท่านดุหลวงปู่หลวงปูท่ทีหลังอย่าเล่นอย่างนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวคนก็ตื่นเต้นห <c oughs> ลวงปู่ก็เถียงน่ารักนะ เราไม่ได้ทำอะไรเรานั่งสมาธิของเราเฉยๆเขาไม่เห็นเองเราไม่ได้เล่นนะน่ารักนะครูบาอาจารย์หาครูบาอาจารย์นะแก่เท่าแต่ละองค์แต่ละองค์ะงนะน่ารักมีความสุขหลวงปู่สิมตอนหลังๆอายุเยอะเดินไม่ค่อยไหวท่านน้ำหนักเยอะ ท่านขึ้นเขาก็ต้องหามแคล่ขึ้นไปหามขึ้นหามลงขึ้นไปหาท่านนะโอ้เหนื่อยไปขึ้นไปถึงนะท่านตอนนั้นช่วงหลังๆแล้วที่ปากทำทำผาปลองเขาทำประตูเหล็กเหมือนประตูตึกแถวว่ายืดๆก็ปิดไว้ถามพระว่าหลวงปู่ไม่อยู่หรออยู่อยู่ในกรดนะกรดนั้นก็มองเห็นนะ จากปากถ้ำก็เห็นนะอยู่ในกรดเนะ่ดูองไรก็ไม่เห็นนะ mm hmm. ก็นั่งรอไปว่ารอจะคนกลุ่มใหญ่ตามขึ้นมาหลวงปู่ออกมาจากกรดนะถือกุญแจ <laughs> มาไขเห็นว่าขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยให้นั่งพักก่อนอทีมหลังขึ้นมายัางหอบแครกอยู่นะท่านไม่รอแล้ว <laughs> สนดูท่านมีความสุขหลวงปู่สุวัตแก่แก่ไม่มากแต่ลถความโยมที่ขับรถปกติเขาขับเรียบร้อยวันนึงมีคนแก่อยากได้บุญแก่มากๆขอขับแทนขับรถตู้ท่านแก่อายุมากขับไปขับไปหงคลิ่มไปวูบหนึ่งรถตกถนนลงไป ตัวท่านก็เด็นลงไปจมโคลนโคลนแถวนั้นเชื้อโรคแรงท่านติดเชื้อแล้วกนะ็เป็นอมัมพาตนะเป็นอัมพาตต้องนั่งแต่เก้าอีย้ยิ่งช่วงท้ายๆนะกระทั่งกลืนน้ํำลายยังไม่ได้เลยเวลาเขาเข็นท่านออกมาเราเห็นท่านโอ้ยท่านผองใสายย่างเลยดูท่านมีความสุขอย่างเลยเราทําไมไม่ได้ความสุขอย่างท่านนาะคิดอยนี้ หลวงพ่อก็หน้าตามัมแม่เหมือนพวกเราตอนนี้แหล ะ, ะสมัยโน้นเห็นท่านนะโอ้สดใสขนาดเดินไม่ได้นะเป็นอมาพาส ช, ช่วยตัวเองไม่ได้เลยจะพลิกตัวยังต้องขนพระนะช่วยกันพลิกนอนอยู่ก็ต้องคอยพลิกไปพลิกมาทั้งคืนนะแต่ท่านมีความสุขนั่งรถเข็นออกมาเราก็ไปนั่งข้างๆท่านบางทีก็ไม่มีเรื่องอะไรคุยกับท่านนะ ไปกลับไปไหว้เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจท่านนั่งสบายๆดูน้ำดูไก่ท่านชอบดูไก่ป่าพระก็รู้ใจนะไปหาไก่มามีพระองค์งหนึ่งเป็นชาวออสเตรเลียพวกออสซี่ เ, เ, ลเลี้ยงไก่นานๆชนิดไว้ให้หลวงปู่ดูนะปล่อยไว้หลวงปู่มานั่งอยู่บนรถเข็นเราก็นั่งใกล้ๆท่าน ท่านก็ปราลบธรรมะขึ้นมาสุขแท้นอสุขแท้นอามองท่านสุขหรอถ้าเป็นเราเรากลุ้มใจตายเลย เ, เดินไม่ได้ท่านสุขอ่ะไปกราบหลวงปู่เหรียนหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันหลวงปู่เหรียนท่านก็สิน้นหลวงปู่เหรียนก็บอกหลวงพ่อนะว่าต้องสู้ตายนะตอนนั้นพรรษาสี่พรรษาที่สี่แล้ว ท่านบอกต้องตายในผ้าเหลืองอย่างเราเลยนะเนี่ยเราสู้มาท่านก็พูดถึงการต่อสู้ของท่านท่านนั้นน้ำตาคลอเลยด้วยความปีติห้าวหาันะลุกยังไม่ได้เลยนะนั่งอยู่บนเตียงเขาไขเตียงขึ้นมาตัวตั้ ง, ต, งตั้งขึ้นมาเดินก็ไม่ได้แลอะไรก็ไม่ได้อีกไม่นานท่านก็สิ้นแล้ว ท่านมีความสุขอยู่แล้วมีความสุขมากเล่าสมัยท่านออกทุดงลำบากยากเข็อยังไงต้องสู้เอานี่ดูจากครูบาอาจารย์แต่ลนะองค์แต่ละองค์นะแกเท่าไงก็ดูมีความสุขหลวงพูเทศอนะไรนึงดูมีความสุขหลวงตาก็มีความสุขนะสุขแบบหลวงตาชงชางชงช่างก็ยังสุขอย่างนั้นนะก็มีความสุขมาก เรารู้อย่างหนึ่งว่าจากคนที่เคยมีกิเลสเหมือนพวกเรานี่แหละถ้าเราฝึกจิตฝึกใจให้ดีถึงวันหนึ่งมันมีความสุขมีความสุขรออยู่ข้างหน้านะคนซึ่งไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมปัจจุบันก็จมอยู่ในความทุกข์อนาคตก็ทุกข์มากกว่านี้ชีวิตยากที่จะดีขึ้นธรรมชาติของจิตไหลลงต่ํำตอลอดเวลาวันวันหนึ่งคิดดูสิใจเราคิดชั่วกี่ครั้งคิดดีกี่ครั้ง ส่วนใหญ่คิดชั่วตลอดเวลาเลยนั้นธรรมชาติของจิตนันไหลลงต่ําตลอดเวลาไม่ฝึกไม่หันนะไม่ขัดเกลามันก็แย่ลงแย่ลงยิ่งแก่ยิ่งเร็วแต่ว่าในทางกลับกันนะถ้าเราภาคเพียนฝึกตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวอย่างพวกเราส่วนใหญ่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ภาคเพียนยิ่งนานวันไปความสุขมันยิ่งเพิ่มขึ้นความอัศจรรย์ของธรรมะอยู่ที่ยิ่งเห็นทุกยิ่งมีความสุข คนในโลกนะยิ่งหนีทุกยิ่งมีความทุกนะยิ่งหนีทุกยิ่งเกลียดทุกนะแต่ว่าชอบทําเหตุของทุกวันวันห น, นึ่งตามใจแต่กิเลสตัณหาทําเหตุของทุกนะแต่อยากมีความสุขเรานักปฏิบัตินะเราไม่ตามใจกิเลสตัณหาตัณหาต้องละตัวสมุทัยต้องละเราทําเหตุที่รู้ทุกมีความรู้ทุกตลอดไม่หนีทุก ทุกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่กายทุกอยู่ที่ใจรู้สึกอยู่ที่ใจรู้ทุกให้มากนะรู้ทุกมากมากแล้วต่อไปมันจะละตัณหาละอัตโนมัติละแล้วไม่เกิดอีกตัณหาไม่มีขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราลาด้วยสติจิตมีความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันความอยากหายไปเดี๋ยวก็มาอีกอันนี้ละชั่วคราวนะลาด้วยสติถ้าลาด้วยปัญญานี่ แจ้งในกองทุกข์ดูลงมากายนี้มีแต Th ่ทุกข์ล้วนๆจิต น, นี้มีแต Th ่ทุกข์ล้วนๆแค่เห็นอย่างนี้นะัความอยากให้กายเป็นสุขก็ไม่เกิดขึ้นความอยากให้ใจใจเป็นสุขก็ไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายพ้นทุกข์ไม่มีความอยากให้ใจพ้นทุกข์สุดท้ายไม่มีแต่ก่อนจะถึงนาทีสุดท้ายยังมียังอยากให้ใจพ้นทุกข์อยู่ดังนันใจยังไม่พ้นทุกข์ภาวนาไปแทบเป็นแทบตายนะ ปล่อยางกายหรือแต่จิตเดียวล้นลวนเลยแต่ทำไงจิตจะหลุดพ้นทําไงจิตจะหลุดพ้นคิดแต่จะทํานะต่อสู้ทุกวิธีทางเนละหาทางทำไงจิตจะหลุดพ้นมันไม่ยอมหลุดพ้นมันขาดความเห็นแจ้งอริยสัจวันหนึ่งเห็นแจ้งอริยสัจว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกขนะ์เป็นของหาสาระแกนสายไม่ได้ตัวผู้รู้จิตตัวนี้ไม่ใช่จิตซ้าซ้อนอย่างจิตของคนทั่วๆไปแล้ว เป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้ตรงข้ามกับจิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งขนาดจดตัวจิตผู้รู้ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะสติปัญญาต้องถึงขนาดนั้นแต่พวกเราต้องอาศัยจิตผู้รู้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่อาศัยจิตผู้รู้เราจะมีแต่จิตผู้หลงงั้นเราอย่าปล่อยให้จิตหลงไปพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกรู้สึกไปเรื่อย รู้สึกตัวแล้วดูกายทํางานดูใจทํางานอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆรู้สึกตัวได้แล้วก็ต้องดูกายทํางานดูใจทํางา น, นเรียกว่าเจริญปัญญาทำวิปัสนากรรมฐานกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูมันเรื่อยไปสุดท้ายปัญญามันแก่รอบมันเห็นเลยกายนี้ใจนี้นะหาสาระแก่นสารไม่ได้มันจะแจ้งกายก่อนเพราะกายนี้ดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์นะจิตนี่ มันเป็นขั้นแตกหักแนละ้วคือถ้าไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกแล้วมันขั้นสุดท้ายแล้วแต่ว่าก่อนที่จะมารู้แจ้งกายไม่จาเป็นต้องไปดูที่กายนะดูกายก็ได้ดูเวทนาดูจิตดูธรรมได้หมดเลยนะเวลาที่หัดดูจิตสังเกตไหมล้วก็มีจิตเกี่ยมีขันแยกออกจากกันขันมันก็ทำงานไปนะนะถ้าเรารู้ทันจิตใจไปเห็นขันมันทางาน จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูบ้างเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งบ้างมันก็จะเห็นเลยว่าขันทั้งหลายนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยเนี่ยแต่ใจมันจะยอมรับความจริงก่อนว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์มันยอมของมันเองทั้งๆที่เราดูจิตเนี่ยนะมันจะไปปล่อยกายก่อนเป็นธรรมชาติอย่างนั้นในเพราะกายนี่เป็นของดูง่ายว่าว่าเป็นตัวทุกข์ พระพุทธเจ้าสอ น, นบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับนะสามารถเห็นไกลนี่ไม่ใช่ตัวเราได้เป็นทุกข์ไม่ใช่เราแต่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราไม่ได้ยากมากที่จะเห็นจิตไม่ใช่เรายากมากที่จะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์มีแต่ในธรรมวินัยในคําสอนของท่านเท่านั้นถึงจะพาให้เราแจ่มแจ้งขึ้นมาได้ว่ากระทั่งตัวจิตก็เป็นตัวทุกข์มีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนอื่นไม่มี เน้นถึงหัดูจิตดูใจไปนะหรือดูเวทนาก็ตามดูจิตก็ตามดูสังขารปรุงแต่งก็ตามนะเวลาปล่อยนะครับจะปล่อยของหยาบก่อนจะปล่อยกายไปก่อนถ้าไม่ยึดถือกายก็คือไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเมื่อไม่ยึดตาก็ไม่ยึดรูปเมื่อไม่ยึดหูก็ไม่ยึดเสียงไม่ยึจมูกก็ไม่ยึดกลิน่นไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิน่นในรส ทั้งหลายในสัมผัสทั้งหลายเมื่อไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายนะความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ไม่มีความยินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ไม่มีกามและปฏิฆาไม่เกิดขึ้นง้นภูมิธรรมของพระนาคามีท่านละกามและปฏิฆาได้ไม่ใช่ไปละตัวมันตรง แต่ท่ละความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้ไม่ยึดในรูปใช่ไหมมันก็ไม่ยินดียินร้ายในรูปไม่มีกามไม่มีปฏิฆะในรูปไม่ยึดในเสียงมันก็ไม่ยินดียินร้ายในเสียงไม่มีกามปฏิฆะในเสียงกามปฏิฆะต้องมีที่ตั้งมีอาารมาคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะทั้งหลายมาเป็นที่ตั้ง ส่วนทางจิตใจก็เป็นราคาที่ละเอียดไม่จัดเป็นการมาราคาเป็นรู ป, ป ร, ราคาอรู ป, ป ร, ราคาไปงั้นเราภาวนาไปนะจนปัญญามันแจ้งเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นเป็นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้คำว่ากายก็คือแจกแจงออกมาก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ยึดในตาหัวจมูกเล่นกายเไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสพทธะทั้งหลายแต่จะยึดธรรมรมณ์ยึดความสุขความสงบภายในติดใจในความสุขในความสงบภายในแล้วก็ยึดถือตัวจิตไม่ยึดรูปถ้าปล่อยรูปได้ก็ไม่ทุกข์เพราะรูปไม่ทุกข์เพราะร่างกายแก่เจ็บตายไม่ทุกข์ละนะไม่ทุกข์เนี่ยความถูกจะครอยลดลงลดลง สมาก็ภาวนาเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจมันเข้ามาที่จิตเองพอปล่อยกายแล้วมันจะเข้าที่จิตเองปล่อยกายแล้วพอมาอยู่ที่จิตแล้วนี้นักปฏิบัติส่วนใหญ่ถ้าผ่านการดูกายมานะดูมาทางกายเนี่ยพอมาถึงจิตแล้วไปต่อยากแล้วไม่ชนานาญที่การดูจิตในขั้นแตกหักเนี่ยมันแตกหักกันที่จิตเอง ถ้าเราเริ่มต้นมาจากการดูจิตนะขั้นท้ายนี้จะสั้นๆง่ายๆถ้ายังไม่เคยดูจิตหนะดูกายแต่ว่าต้องมีจิตเป็นผู้ดูนะต้องฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้นะตรงที่ตัวที่ทำให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็คือการฝึกสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองอันนี้ต้องฝึกไม่ว่าจะฝึกสายกายสายเวทนาหรือดูจิตดูธรรมก็ตามต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันจะไหลไปรวมกับธาตุกับขันธ์สังเกตไหมจิตเราไหลตลอดเวลาไหลไปไหนไหลไปรวมกับธาตุกับขันธ์ดู ก, กายก็ไหลไปรวมกับกายรู้เวทนาก็ไหลไปรวมกับเวทนาคิดขึ้นมาก็ไหลไปร <AKA. S 1> วมกับ <ๆๆ S 1> เรื่องราวที่คิดหลงไปเรื่องราวที่คิดเป็นเรื่องภายในภายในใจรู้ได้ใจเป็นธรรมารมจิตมีแต่ไหลไป ถ้าจิตไหลไปเมื่อไหร่จิตก็ไปรวมเข้ากับขันถ้าจิตตั้งมั่นจิตก็แยกออกจากขันก็แค่นี้เองงั้นมาฝึกให้จิตตั้งมั่นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นไม่ยากอะไรหรอกรู้ทันว่าจิตไหลไปบ่อยๆถ้ารู้ทันว่าจิตไหลบ่อยๆจิตก็ตั้งของมันเองไม่ต้องไปจ้างให้มันตั้งต้องอ้อนวอนให้มันตามตั้งเองก็มันไม่ไหลมันก็ตั้งก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะยากอะไรเลยส่วนจิตของเราไหลตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเหมือนก็เลยไม่เคยตั้ง งัถ้าจิตไหลไปแล้วรู้ทันไหลไปแล้วรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มาเดินปัญญาดูกายทํางานดูใจทํางานอย่าตั้งอยู่เฉยๆนนี้บางท่านท่านภาวนาท่านผ่านมาทางกายนะดูกายโชคชนเลยไม่ชํานาญในเรื่องจิตพอปล่อยความยึดถือกายไปนะเข้ามาที่จิตผู้รู้แล้วท่านมีความสุขมากเลย เพราะท่านผ่านการต่อสู้เรื่องกายเห็นกายเป็นทุกข์มากมายกายนี้ทุกข์จริงๆเป็นทุกข์หยบาบหยาบพอเข้าถึงจิตได้รู้สึกตรงนี้แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็เลยติดอยู่ที่ตัวผู้รู้เลยไม่ไปต่อนี่หลวงปู่ดุลสอนไว้อย่างนี้นะนั่งอยู่กับท่านวันๆหนึ่งท่านก็ปรารบขึ้นมาเออเราดูๆไปนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่กระทั่งที่มีชื่อเสียงมากมายส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ อย่าถ้าเรื่องไปถามท่านนะเวลาท่านปราลบธรรมะต้องฝังเงี ย, งยบๆเป็นยังไงผีใหญ่เลิกพูดเลยเนี่ยเคล็ดลับเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์นะอย่าพูดให้ท่านพูดคนเดียวท่าน่ะนั่งของท่านเงี ย, งยบๆไปนะพอมีธรรมะอะไรมากระทบใจท่านนะาเราไม่วอกแวกกวนประสาทานนะาท่านเนี่ยท่านก็พูดออกมาให้ฟังได้อะไรแปลกๆ อยู่กับหลวงปู่บางทีก็ฟังอะไรแปลกๆนึกไม่ถึงนะว่าผู้เฒ่าอายุตั้งเกือบร้อยปีมีจาร์ไอสไตน์ได้ไอสไตน์ I เขาเก่งนะแต่ต้องหุบปากอาปากทีเดียวเลิกเลยไอสไตน์ I เก่งเขาคานวณไปถึงนิพพานได้แต่เขาไม่เห็นประโยชน์เขาไม่เห็นว่านิพพานมีประโยชน์อะไร แยกธาตุแยกขันไปเรื่อยนะมันแยกนะอย่างวัตถุธาตุเนี่ยแยกแยกแยกไปสุดท้ายกลายเป็นคลื่นเท่านั้นเลยมันทำถูกน้าแยกถูกนะอย่างเราพอนาแยกธาตุไปเรื่อยสุดท้ายกลายเป็นแสงเป็นคลื่นไปนะ mm. เป็นแค่นั้นเองไม่มีอะไระ mm. แล้วเข้ามาที่จิตก็ดูไปมันก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่ง mm. ท่านก็บอกไอสไตล์เขาเก่ง เขาพิจารณาแยกไปจนถึงนิพพานแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้เขาคิดแต่เรื่องประโยชน์ทางโลกไม่รู้จักเรื่องประโยชน์ทาง จ, จิตใจนี่ท่านวิจารนี่อยู่กับครูบาอาจารย์ต้องเงียบๆนั่งฟังไปเรื่อยเดี๋ยวก็เล่าโน้นเล่านี่ไปแล้วก็เล่านักปฏิบัติส่วนใหญ่นะ่าที่ว่ามีชื่อเสียงเราดูๆไปแล้ว ส่วนมากก็เป็นแค่ผีใหญ่เราก็จําไว้ก่อนนะท่านปรารบเพราะว่าปล่อยจิตไม่ได้นะแต่นี้ท่านไม่พูดนะหลวงพ่อขยายให้ฟังก็ไปยึดตัวผู้รู้ไว้ก็เหมือนที่อาจารย์มหาบัวสอนอาจารมหาบัวท่านก็สอนว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวจิตอวิชชาทำลายตัวนี้ไม่ได้ปล่อยตัวนี้ไม่ได้นะ จิต ว, วิชามันเหมือนเมล็ดของต้นไม้เหมือนเม็ดเมล็ดมะม่วงเนี้ยมีเมล็ดมะม่วงอยู่เมล็ดเดียวนะไปเพาะปลูกต้นมะม่วงขึ้นมาได้อีกมีจิตอยู่ดวงเดียวนะเอาไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกถึงบอกวิญญาณวิญญาณนะปัจจยานามรูปปวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปสร้างขันห้าขึ้นมาได้หมดเลยนี่พอฟังหลวงปู่เสร็จแล้วออกจากหลวงปู่มาแล้วค่อยไปถาม พวกปลาอุปัถาพีใหญ่เป็นไงครับอ๋อ <range> พระนาคาพระนาคาแล้วฟงทัานอ๋อภีใหญ่ก็พวกปลอมพวกปลมพระานาจนกระทั่งเข้ามาถึงจิตนัปล่อยกายไปแล้วนะหรกส่วนใหญ่ติดอยู่ตรงนี้องไปไม่รอดละเขาไม่รู้จากพิธีด <mini> ูจิตต่อนะท่านท่านเหนื่อยมามากต่อสู้ตรัตธรรมามากในการค้นคว้าพิจารณกายมามาก พอเข้าถึงจิตรู้สึกตรงนี้เป็นที่พักมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคนไม่ค่อยรู้ว่าท่านภาวนาเก่งคนคิดว่าท่านเสกแล้เครื่องเก่งคือหลวงปู่คําพันธ์หลวงพ่อก็ภาวนานะอยู่กับตัวรู้เนี่ยบ่อยเลยไม่เข้าไปกราบท่านท่านมองหน้าท่านก็ไม่ว่าอะไรนะอยู่ท่านก็ปรารบลบเวลาเราเดินทางไกลนะมันแห้งแล้งกันดาน ไปเจอต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นนะเราก็ไปอยู่ที่ต้นไม้เราไม่ยอมเดินต่อนะพูดอย่างนี้นะคนที่ไปด้วยกันหรือญาติโยมอื่นๆนะเยอะแยะเลยไปเช่าพักเครื่องมาเตรียมเข้าแถวจะให้ท่านปลูกเสกเราเข้าไปถึงท่านก็พูดหรือคนเดินทางไกลมันเนหน็ดเหนื่อยร้อนเจอต้นไม้ใหญ่ก็อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ไม่ยอมเดินต่อเราฟังเราก็รู้แล้วว่าท่านสอนนะ อย่าเอาแต่ตัวจิตผู้รู้ไว้นะสอนถ้าฟังเป็นนะฟังเป็นจะรู้ครูบาอาจารย์แต่และองค์น่ะลวดลายไม่เหมือนกันหรอกบางองค์เราไปติดอะไรอยู่นะด่าเอาเฉยๆเลยบางองค์ไม่ว่าตรงๆเปรียบเปเลยบางองค์เฉยๆเฉยไม่พูดเลยไม่พูดเลยสอนด้วยการไม่พูดเรียนยากที่สุดเลย สอนด้วยการไม่พูดบางทีสอรด้วยการไม่พูดเรายังไม่รู้เรื่องท่านทนไม่ได้บางทีท่านพูดเราเหมือนกันอย่งเราปู๊3ามเป็นครูอาจารย์ที่ไม่พูดเนละเวลาท่านไปเยี่ยมกับหลวงปูด่ดุลนะไปกราบหลวงปู่ดุลเสร็จแล้วนั่งเงียมๆอยู่2ชั่วโมงสาชั่วโมงถึงเวลาผมไปละกราบหลวงปู่ไปอยากน้ำไม่พูดกันลนะ่ะโลกเิร็จนึกว่าโอ้ก็ลือกันนะไอ้พระอรหันเจอกันเว้ยต้องมาฟัง มากันเยอะเลยมานั่งรอรอจะทนไม่ไหวนะไม่พูดซะจีนะออกไปซะเยอะเลยก็ไม่พูดเลยบอกไม่มีธุระไม่มีธุระแล้วไม่พูดเห็นไหมของเราไม่มีธุระเราพูดไหมศีลดังพลอยไม่พูดหรอกไม่มีธุระดูแก่เท่ายัางไงก็มีความสุขมากนะะจิตของท่านฝึกมาดี โดเฉพาะท่านที่ท่านฝึกมาจนถึงปล่อยวางจิตได้ขั้นปล่อยวางจิตได้ก็มีอยู่แต่ว่าน้อยเต็มางทีแต่ไหนแต่ไรก็มีไม่มากหรอกถ้าฝึกทําไมปล่อยวางจิตไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะต้องปล่อยนี่หนึ่งนะไม่รู้ว่าต้องปล่อยข้อสองไม่รู้วิธีปล่อยไม่รู้ว่าต้องปล่อยก็คือภาวนามาจนมาถึงจิตแนละ้วรู้สึกจิตนีิเที่ยง จิตนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยแม้ครูบาอาจารย์บางองค์ถึงภาวนาดีนะยังไปคิดว่าจิตตัวนี้เที่ยงตัวผู้รู้เที่ยงนะจิตปรุงแต่งนี่ไม่เที่ยงแต่จิตผู้รู้เที่ยงนี่คือปัญญาท่านไปไม่ตลอดอย่าเลยบอกว่าจิตมันเที่ยงบางทีคือหมายถึงตัวจิตผู้รู้มันเที่ยงแล้วคิดว่าตัวนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไปไ ม, ไม่่สุดเส้นทางบางท่านท่านรู้ว่ายัางเอาผู้รู้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้แต่ไม่รู้วิธีทําลาย การทำลายก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะก็ทำวิปัสสนากรรมฐานนี่นเองไม่ต้องไปหาทางทำลายมันหรอกเรียนให้เห็นความจรงนะิงแลจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์นะั่นเลยเห็นตัวทุกข์เมื่อไหร่มันก็ทิ้งของมันเองแหละไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทำหรอกไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นแจ้งอริยสัจแจ้งอริยสัจได้ก็เพราะเห็นทุกข์นั่นแหละรู้ทุกข์ก็แจ้งอริยสัจข้อหนึ่งของอริยสัจก็คือทุกขสั์ อะไรเป็นทุกข์ขันนั่นแหเป็นตัวทุกข์แจ้งลงมาขันนั้นเป็นตัวทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะถูกบีบขั้นทุกขเพราะบังคับไม่ได้ทุกเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าเห็นอย่างนี้ก็ปล่อยอยู่ๆไปสั่งจิตให้ปล่อยจิตเป็นไปไม่ได้สั่งให้จิตปล่อยอะไรไม่ได้สักอย่างอย่าว่าแต่จะให้จิตปล่อยจิตเลยของเราแค่จิตไปเกาะอารมณ์สั่งให้ปล่อยออกไหมล่ะไม่ออกหรอก สั่งไม่ได้นะแต่ถ้าสติปัญญามันพอนะเห็นจิตเข้าไปไหลเข้าไปจับนะแค่รู้เท่านั้นมันถอยของมันเองแนละ้วจับทําไมมีแต่ทุกข์ปัญญามันแจ้งแนละ้วว่าจับเข้าไปแล้วเป็นทุกข์มันปล่อยของมันเองนี่ปล่อยตัวนี้จับไปที่กายก็ทุกข์นะก็ปล่อยกายทิ้งกายไปมาเหลือตัวเองแนละ้วมันจับตัวเองอยู่จิตยึดถือจิตดูยากที่สุดเลยจิตยึดถือจิตพวกเรามีคนไหนเคยภาวนาจนจิตปล่อยจิตได้ชั่วคราวบ้างมีไหม มีมันปล่อยได้นะแต่ปล่อยแล้วเดี๋ยวไปหยิบมาอีกเนะีแล้วต้องภาวนาจนมันแจ้งอริยสัจจริงๆจิตนี้แหละตรวจทุกข์ถ้าแจ้งอริยสัจก็จะสลัดทิ้งเลยนะไม่เอาเองเลยบางท่านรวดลายมากตอนที่แจ้งอริยสัจนะ้ำฟ้าผ่าเลยนะฟ้าผ่าผ่าที่ไหนไม่ผ่านะผ่ากลางศีรษะท่านนะานั่นว่างี้ นึกว่าผ่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่คนอื่นเขาก็ได้ยินเ <c oughs> <c oughs> นยท่านเล่าให้ฟังนะบางท่านก็แผ่นดินไหวถามว่าอะไรที่ไหวจิตนั่นแหละไหวจิตมันไหวมันสลัดตัวทิ้งมันไหวเหมือนโลกธาตุสะเทือนเลยเหมือนโลกระเบิดเลยบางท่านก็ทิ้งนุ่มนวลท่านทิ้งนุ่มนวลท่านเล่าให้ฟัง มันดูดูไปมาเห็นจิตนี่หาสาระแก่นสายมันโยนลงเหวเยวไปเหมือนถอนหญ้านะถอนปุ๊บกว้างทิ้งเลยท่านทิ้งออาง่ายๆพวกเราก็เรียนไปนะอย่าเพิ่งไปปล่อยวางจิตนะหาจิตให้เจอก่อนถ้าปล่อยวางจิตตอนนี้สติแตกใช้ไม่ได้นะพยายามให้จิตเป็นผู้รู้ก่อน อย่าพิงทิ้งจิตผู้รู้ให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันทุกวันต้องซ้อมหัดพุทโธหัดหายใจอะไรก็ทําไปดูท้องพองยุบก็ได้แต่จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งแล้วรู้ทันจิตะตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นแล้วก็มาดูธาตุดูขันทํางานอยู่ๆเป็นึกเอาเองไม่ได้นะว่าจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันเดียวกันนั้นนึกเอาไม่ใช่ของจริงนะเพราะไม่ได้เห็นทุกของธาตุของขันหรอกถ้าไม่เห็นทุกของธาตุของขันนั้นจิตกับส เป็นอันเดียวกันเป็นไปไม่ได้ชินเวาไม่ปล่อยหรอกถูกยั่วถูกอะไรก็โมโหได้นะมันไม่ล้างกิเลสงั้นต้องรู้าธาตุรู้ขันให้มากรู้าธาตุรู้ขันได้มากเล่ค่อยวางาธาตุวางขันไปแล้วมีความสุขที่สุดเลยไม่มีอะไรเหมือนแก่ขนาดนั้นก็มีความสุขน ะ, ะพวกเราไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ